บทที่88เตโชกสินนายคำพุ้นหลบไปนั่งอยู่ใต้ต้นสักนั่งไปนั่งมาก็เกิดง่วงจึงเอาผ้าขามา้าที่เขียนพุงไว้มาปูนอนใช้แขนข้างขวาหนุนศีรษะต่างหมอนมือข้างซ้ายกายหน้าผากเหมือนคนเจ้าทุกข์ลมเย็นๆพัดมาต้องกายช่วยให้ใคลายความเหนื่อยลา้า แล้วก็เลยปล่อยหลับไปในเวลาอันรวดเร็วปล่อยให้พักพวกเพื่อนฝูงช่วยกันขุดผีอีกแก้วอย่างเอาเป็นเอาตายโดยมีพระองค์หนึ่งคอยบงการส่วนอีกองค์หนึ่งเอาแต่นั่งหลับหูหลับตาหน้าเบื่อหน่ายเขาไม่ชอบพระเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงไม่เลื่อมใสายศรัทธาแม้ท่านจะบอกว่ามาช่วยก็ตามแค่จริงนิสัยส่วนตัวของเขานั้น เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจและเพราะความเห็นแก่ตัวนี่เองที่ทำให้หาคู่ครองว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันไม่ได้ต้องครองโสดมากระทั่งอายุเข้ายี่สิบสยี่สิบห้ายกยก่สห ย, ยนยนจนพ่อแม่พี่น้องรู้สึกอ่อนหนาระอาใจนอกจากเห็นแก่ตัวแล้ว เขายังเป็นคนเกียจคร้านการงานหนักไม่เอาเบาไม่สู้เพื่อนเขาทำงานกันงกงกแต่ตัวเขากลับมานอนช่างเห็นแั่ตัวเินีกรายนั่งพิจารณาผีดิบอยู่กันครึ่งชั่วโมงผู้ใหญ่บ้านก็ถามท่านพระครูว่าจะทำอย่างไรกับพวกมันดีครับภิกษุวัยส5จึงถามหลวงพ่อดำว่าหลวงพ่อครับ โยมเขาถามว่าจะทำอย่างไรกับสามศพนี้เผาหลวงพ่อในป่าตอบท่านพระโกรจึงบอกให้พวกเขาช่วยกันไปหาย่าและใบไม้แห้งมาทำเป็นเชื้อเพลิงคนทั้งหกช่วยกันอย่างขามิ้นขมันด้วยกลวกรจะข้ามมืดเช่ก่อนประมาณสิบ้านาทีหลังจากนั้นร่างของผีดิบก็ถูกปกคลุมมิดชิดด้วยยาและไม้แห้ง คนที่มีไม้ขีดเตรียมพร้อมจะจุดไฟเดี๋ยวก่อนโยมขอเวลาให้อัตมาถามหลวงพ่อท่านก่อนสมภารวัดป่ามะม่วงห้ามไว้แล้วจึงถามภิกษุรัตัญยูว่าหลวงพ่อครับเผาได้เลยใช่ไหมเผาได้หลวงพ่อดาตอบโดยไม่ลืมตาเช่นเคยต้องสวดชยันโตหรือเปล่าครับท่านพระครูถามอีกไม่ต้อง เมื่อท่านตอบมาอย่างนี้ภิกษุวัยสี่สิ้าจึงบอกคนที่กำลังจะจุดไม่ขีดว่าเอาละโยมจุดไฟเผาได้เลยบุรุษนั้นจึงจัดการจุดไม่ขีดเทว่าจุดเท่าไหร่ก็ไม่ติดเสียงเขาบนงึมงามว่าสงสยัยจะกรรมไม่ขีดไว้นานจนเปียกเหงือ่อเลยจุดไม่ติดบนอะไรรีบๆจุดเขาสีประเดี๋ยวจะขํา ผู้ใหญ่บ้านเตือนมันจุดไม่ติดนะคะผู้ใหญ่เขาบอกทําไมถึงไม่ติดละ่ะไหนลงส่งมาให้หาซิเมื่อปรุษนั้นส่งกลักไม่ขีดมาให้ผู้ใหญ่บ้านจึงหยิบไม่ขีดออกมาจากกลักก้านหนึ่งแล้วก็จุดหากก็ไม่มีไฟปรากฏออกมาเช่นกันทําไมมันถึงไม่ติดละ่ะเอหรือว่ามันชื้นไม่เป็นรายใช้ไฟแซกของหาก็ได้ พูดพลางก็เอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงหยิบไฟแจ็กออกมาแล้วจุดทว่าก็จุดไม่ติดท่านพระครูรู้ว่านั่นเป็นการต่อต้านของผีดิบที่จะพากันหวงร่างหากร่างของพวกเขาถูกเผาทำลายไปก็หมดทางทำมาหากินจึงต้องต่อสู้ปกป้องกันถึงที่สุดหลวงพ่อครับพวกเขาต่อต้านไม่ยอมให้เผาร่างของเขาครับ ใช้ทั้งไม่ขีดและไฟแช็คก็ยังจุดไม่ติดท่านพระครูกราบเรียนหลวงพ่อที่นั่งหลับตาเพื่อจะให้ท่านเป็นผู้ตัดสินว่าจะทำอย่างไรต่อไปใช้เตโชกสินเผาพิกษุรตัตนญยูแนะนำท่านให้เผาด้วยเตโชกสินสมภารวัดป่ามะม่วงบอกคนทั้งหกเมื่อเห็นพวกเขากำลังงง เตโชกสินอยู่ที่ไหนครับผู้ใหญ่บ้านถามเขาไม่รู้จักเตโชกสิล์นเช่นเดียวกับลูกบ้านทั้งสามอยู่ที่อาตมากับหลวงพ่อที่นั่งอยู่ใต้ต้นช้ำฉาหนั่นท่านพระครูตอบงั้นหลวงปู่ก็เอาเตโชกสินออกมาเถอะครับหมู่เฮาจะได้ช่วยกันจัดการบุรุษนั้นเอ่ยขึ้นต้องให้หลวงปู่องค์นั้นเอาออกมาด้วยหรือเปล่าครับผู้ใหญ่บ้านถาม ไม่ต้องรอใช้ของอาตมาคนเดียวก็พอแล้วพวกโยมก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆนะห้ามพูดห้ามคุยสงสัยอะไรอดใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาถามจนกว่าอาตมาจะเผาศพนั้นเสร็จเข้าใจหรือเปล่าท่านชี้แจงแก่คนทั้งหกหลวงปู่จะใช้อำนาจจิตเผาใช่ไหมครับลูกชายคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านถาม เขาเป็นคนเดียวที่พอจะรู้เรื่องถูกแล้วพ่อโหนมเอาละพากันนิ่งๆ น, นะอาตมาจะลงมือละแล้วท่านก็นั่งในท่าคูบัลลังขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดารงสติมัน่นบริกรรมว่าเตโชเตโชอยู่ในใจแม้จะไม่มีไฟตรงหน้าสำหรับเพ่ง หากสั้นก็สร้างขึ้นมาในมโนนึกเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็บังเกิดไฟลุกขึ้นและไหมลุกกรามอย่างรวดเร็วห้านาทีให้หลังซากผีดิบก็หายไปไม่เหลือไว้ให้เห็นแม้แต่กระดูไฟมอดลงแล้วนุมน้อยจึงพูดขึ้นว่าหลวงปู่เก่งเหลือเกินดูสิผีไหมหมดเลย นี่ถ้าเผาด้วยไฟธรรมดากระดูกก็จะไม่ไหมใช่ไหมครับเขาตั้งข้อสังเกตถูกแล้วพ่อหนุ่มนอกจากกระดูกจะไม่ไหมแล้วก็ยังใช้เวลานานกว่าจะเผาเสร็จแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นไหม้ด้วยกลิ่นเนื้อสดๆถูกเผานะ่ท่านพระครูตอบุรุษอีกห้าคนรู้สึกตื่นเต้นและอัศจรรย์ใจจนพูดไม่ออกเกิดมาจากท้องพ่อ้องแม่ ก็เพิ่งจะพบเห็นนี่แหละพระอะไรก็ไม่รู้ช่างเก่งเหลือเกินครั้นหายตื่นเต้นแล้วพร้อมใจกันกราบสมภานสามครั้งด้วยสำนึกในบุญคุณคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านพูดขึ้นว่านิมนต์หลวงพ่อพักอยู่ในหมู่บ้านอีกสักสองสามวันได้ไหมครับหมู่บ้านเฮาทาบุญฉลองที่หลวงปู่ปราบผีดิบได้สำเร็จไม่ได้หอกโยมอัตมาเป็นพระธุดง รับนิมนต์โยมไม่ได้หรอกขอให้โยมไปนิมนต์พระในวัดหมู่บ้านแทนก็แล้วกันการทำบุญเป็นสิ่งดีอัตมาขออนุโมทนาและหลวงปู่จะทุดงไปที่ไหนต่อครับไปลำปางอัตมาตั้งใจว่าจะไปกราบหลวงพ่อเกษมเขมโกที่สุขสารไตรลักษณ์โยมรู้จักท่านไหมรู้จักครับหมู่เฮานับถือท่านกันทุกคน ดีแล้วท่านเป็นพระสุปฏิปันโนที่น่าเคารพเลื่อมใสเมื่อโยมนับถือท่านก็ต้องหมั่นทำความดีนะโยมนะครับหลวงปู่โมฮาจะไม่ลืมบุญคุณหลวงปู่เลยหากโมฮาคิดถึงหลวงปู่จะไปพบได้ที่ไหนครับเขาถามท่านพระครูจึงบอกชื่อและที่ตั้งของวัดที่ท่านจำพรรษาอยู่จากนั้นจึงถามหลวงพ่อดําว่า หลวงพ่อครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะเดินทางไปลำปางได้หรือยังครับได้แล้วเธอล่วงหน้าไปก่อนประเดี๋ยวเราจะตามไปพระในป่าตอบโดยไม่ยอมลืมตาถ้าเช่นนั้นอาตมาลาโยมก่อนนะ เก็บข้าวเก็บของแล้วพากันกลับไปยังหมู่บ้านได้แล้วกลาบหลวงปู่ท่านเสกอนคนทั้งหกจึงหันหน้าไปทางต้นชำชาแล้วกราบหลวงปู่ดำพร้อมกันคนเป็นผู้ใหญ่บ้านพูดว่าขอบระควรหลวงปู่มากครับที่ช่วยหมู่เฮาคลัดเห็นท่านไม่ตอบจึงพากันเก็บจอบเสียมแล้วก็มีดเน็บท่านพระครูเดินนาหน้าไปก่อนแล้วพวกเขากาลังจะออกเดินทาง ก็ได้ยินเสียงร้องมาจากต้นศักด์ว่าช่วยตัวช่วยตัยหาถูกงูขบเสียงหน้าคำปุ่นนี่ครับพ่อลูกชายคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านพูดขึ้นหายตกตะลึงแล้วคนทั้งหกก็วิ่งไปยังต้นสักด์ที่นายคำปุ่นนอนหลับอยู่อสรพิษตัวหนึ่งออกจา ก, กรูไปหาอาหารกินครั้นกลับมาพบคนนอนขวางรู ก็จึงกัดที่ต้นแขนข้างซ้ายของชายคนนั้นในคำปุ้นตื่นขึ้นร้องโวยวายอสรพิษตัวนั้นก็ตกใจจึงเลื้อยหนีเข้าป่าไปเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่บ้านถามในคำปุ้นเขาถูกงูขบสงสัยเป็นงูเห่าเขาตอบไหนล่ามันอยู่ที่ไหนจะได้เอาไปแกงกินคนถือจอบถามหางู เนื่องจากจะแกงเผ็ดงูเห่าจนน้ำลายไหลไม่เห็นคงเลื้อยเข้าป่าไปแล้วช่วยหาทีกับคนอายุไล่เรียกกันกับเขาแทนตัวเองว่าหาส่วนผู้ใหญ่บ้านอายุมากกว่าเขาจึงใช้เหา่าทำยังไงดีล่ะต้องหาเชือกมารัดแขนไว้ไม่ให้พิษแล่นเข้าหัวใจเชือกก็ไม่มีบุญคุ้มคิงไปตัดเถาวันมา ผู้ใหญ่บ้านบอกบุรุษที่ถือมีดเน็บพ่อครับเหาว่าไปตามหลวงปู่สององมาช่วยดีกว่าเฮาจะไปตามเองลูกชายคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านบอกบิดาถ้างั้นขิงรีบวิ่งไปตามเธอเขาบอกลูกชายหนุ่มน้อยจึงออกวิ่งเต็มฝีเท้าประเดี๋ยวหนึ่งก็วิ่งกลับมาบอกว่าไม่เห็นทั้งสององค์เลยครับพ่อทาไมท่านเดินเร็วนะัก เพิ่งแยกกันเดี๋ยวนี้เองในบุญคุ้มสงสัยท่านใช้คาถาย้อนระยะทางหนุมน้อยตอบทว่าไม่มีใครเข้าใจเรื่องที่เขาพูดกว่าในบุญคุ้มจะหาเถาวันมาได้พิษงูก็วิ่งเข้าสู่หัวใจแล้วนายคำปุ้นก็ขาดใจตายด้วยความเจ็บปวดเขาสิ้นใจแล้วลูกชายคนโตของผู้ใหญ่บ้านจึงพูดขึ้นว่า ตายจริงหมูเฮาตกใจกันจนขาดสติที่จริงเอาผ้าเขามา้าของหน้าคำปุ้นมารัดแขนแทนเถาวันก็ได้ทำไมไม่มีใครคิดตรงนี้เออจริงของคิงหมูเฮาลืมนึกไปหรือเป็นเพราะว่าคำปุ้นมันถึงที่ตายก็ไม่รู้จึงทำให้หมูเฮาไม่นึกถึงในบุญคุ้มออกความเห็น คนทั้งหกไม่รู้เลยว่าการตายของนายคำปุ้นนั้นเนื่องมาแต่กรรมกรรมที่พูดไม่ดีคิดไม่ดีกับพระอรหันต์เมื่อท่านพระครูเดินเข้าเขตจังหวัดลำปางก็พบหลวงพ่อดำนั่งขัดสมาธิอยู่ที่ใต้ต้นสัตบัญ จึงเดินเข้าไปหานั่งลงกราบสามครั้งแล้วเอ่ยถามหลวงพ่อมาถึงนานแล้วเหรอครับนานหรือไม่นานก็ถึงก่อนเธอก็แล้วกันอาจารย์ตั้งใจยั่วยวนถึงก่อนผมนานไหมครับสิ์ตั้งใจยัวยว่วคิดว่าได้ยั่วอาจารย์จะทำให้หายเหนื่อยได้อยากรู้ ก็ไปหาคำตอบเอาเองสิที่นี่ไม่มีคำตอบให้ต่อหน้าคนอื่นหลวงพ่อดามักพูดน้อยแต่เมื่ออยู่สองต่อสองกับสิทธิ์ท่านก็จะพูดไม่น้อยเลยทีเดียวไม่มีให้แต่มีขายใช่ไหมครับคือถ้าขอไม่มีให้แต่ถ้าซื้อมีขายสิทธิ์ยังคงยั่ว เธอเห็นเราเป็นพ่อค้าหน้าเลือดไปแล้วลือรายคิดอกุศลกับเราระวังนะบาปจะตามทันคงไม่ทันหลอกครับเพราะผมก็ล่องหนหายตัวได้จะล่องหนหายตัวหรือว่าจะเหาะเหินในอากาศก็หนีกรรมไม่พ้นลืมแล้วหรือพระพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ตรัสเตือนไว้ รัดเป็นภาษาอะไรครับไทยหรือว่าอังกฤษสิจยั่วอีรัสเป็นภาษาจิตซึ่งจะแปลเป็นอังกฤษหรือไทยก็ได้ทั้งนั้นถ้าเช่นนั้นผมอยากฟังที่แปลเป็นภาษาอังกฤษหลวงพ่อกรุณาแปลให้ผมฟังด้วยครับหลวงพ่อดำพูดเป็นภาษาอังกฤษพูดจบสิ์ก็สารภาพเสียงอ่อยๆว่าหลวงพ่อครับ ผมตกภาษาอังกฤษนิมนต์ภาคไทยได้ไหมครับผมถนัดภาษาไทยมากกว่านึกว่าจะแน่ติดแท้ก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมละ่ะอาจารย์พูดด้วยน้ำเสียงเยาะเ ย, ะเยะ้ยก็พอจะรู้ครับแต่ผมอยากฟังหลวงพ่อภาคไทยมากกว่าเธอภาคเองก็ได้นี่ลองนึกทบทวนดูสิว่าพระพุทธองค์ตรัสเตือนไว้อย่างไร ที่จะไม่ให้คนทำความชั่วนึกออกแล้วครับผมสอนตัวเองเสมอเสมอด้วยพระพุทธวจนะบทนี้พระพุทธองค์ตรัสเตือนไว้ว่าถ้าท่านกลัวทุกข์ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับที่แจง้งถ้าท่านจะทำหรือทำอยู่ซึ่งความชั่วถึงแม้จะเหาะหนีไป ก็ย่อมไปไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลยปรับเตือนไว้อย่างนี้ครับเก่งนี่เอาละนี่ก็ถ้าเข้าเขต จ, จังหวัดลำปางแล้วให้เธอไปกราบหลวงพ่อกเกษมและทาการบ้านตามที่เราเคยสั่งไว้และหลวงพ่อไม่ไปกับผมหรอครับเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจะรอเธออยู่ตรงนี้แหละ อย่าลืมการบ้านที่เราสั่งนะไม่ลืมหรอกครับผมยังไม่แก่ก็หลวงพ่ออายุตั้งสองพันกว่าปีก็ยังไม่ลืมนี่ครับ